วันนี้เป็นวันพระส4ค่ค่เดือนสองดับเป็นวันพระใหญ่อีกวันพระหน้าเนี่ก็เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าวางรากฐานไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะวันพระ15ค้าคหน้าไม่ใช่แปดค่ำเหมืนนบห้าค่าหน้านะ เป็นวันสําคัญควรจะเตรียมตนเตรียมตัวเข้าวัดเข้าวาระวันนั้นรักษาศีลเป็นไปได้ก็รักษาศีลแปตรงวันนั้นให้บริสุทธิ์ผุดพองเพราะว่าเป็นวันสําคัญเราควรจะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์อีกวันพระหน้าน่ยวันพระเพนเดือนสามเพนแต่ข้าวหน้านี่ก็เป็นขึ้น8ปดขั้มเป็นวันพระเล็ก ที่พูดหนึ่งคือวันพระใหญ่คือเดือนสามเพนนะเพรนั้นพวกเราให้เตรียมตัวเป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาแต่ตาม่จริงความสําคัญหรือไม่สําคัญถ้าพูดแบบภาคปฏิบัติแล้วมันอยู่กับตัวเองทั้งนั้นแหละถ้าว่าเป็นวันสําคัญขนาดไหนแต่ว่าตัวเองไม่ให้ความสําคัญตัวเองทําตัวไม่สําคัญตัวเองปฏิบัติตัวเลวซ้ม วันจะสำคัญขนาดไหนมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าหากว่าตัวเองทำตัวให้ดีเวลาใดคู่ใดขณะใ ด, ดจิตใจหลุดพ้นจากกิเลสชั่วนั้นขนาดนั้นเป็นชั่วดีขณะ ด, ดีเวลาดีดีเลิศสำหรับตัวของเราเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือการทำคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีนั่นแหละเป็นวันดีเป็นวันเลิศประเสริฐ แต่ในทางว่าเราจะทำอย่างนั้นมันก็ยากเพราะนั้นจึงถือวันข้างนอกเป็นกระจกเงาว่างั้นะเป็นบรรทัดฐานหรือว่าเป็นแบบฉบับเอาไว้หรือว่ายกเอาไว้ตั้งเอาไว้เพื่อให้พวกเราได้ระลึกถึงวันสำคัญในพุทธศาสนาคือวันมาค้าบูชาวิสาข้าบูชาเข้าพรรษ า, า, าออกพรรษา หรวันบันเกิดของตัวเองวันเกิดพ่อแม่วันเกิดที่พวกเรารักเคารพนับถือเมื่อวานหลวงพ่อก็ทราบข่าวว่าหลวงตาไม่ค่อยสบายวันตอนบ่ายเพราได้ทราบข่าวก็เลยรีบไปเพราะการป่วยหลวงตาที่ท่านป่ว ย, ท, ท, วยที่ท่านประกาศออกตอนเช้าท่านเองพูดในสถานีวิทยุตอนฉันเสร็จท่านว่า แต่ก่อนหน้านี้ท่านก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่เมื่อวานเนี่ยตอนเช้าตามปกติท่านจะไปเดินจงกรมซะก่อนก่อนออกบินทบาตรพวกพระจะไปบินทบาตรแต่สำหรับตัวท่านเองท่านจะไปเดินจงกรมเพราะท่านรับบินทบาตรไม่ได้ล้วงตาสองสามปีเมื น, นี้ท่านรับบินทบาตไม่ได้เพราะว่าคนใส่บาตรเข้าไปบาตรหนักแล้วท่านรับไม่ไหวท่านหัวขมขืมเลยว่างั้นอะ ท่านก็เลยไม่รับบาดตอนเช้าหมูไปบินถ บ, บาด ท, ท่านจะเข้าทางเดินยังกลมเเปลี่ยนอริยาบทของท่านพอได้เวลาเวลาแล้วท่านก็ออกมาขึ้นาลาจัดอาหารฉันแต่เมื่อวานนี้พอท่านไปเดินยังกลมเสร็จท่านก็พอในในทางยังกลมของท่านก็มีลานเล็กๆสําหรับใส่น้ําดื่มกระโถนอะไรลักษณะอย่างนั้นอะ่ะท่านก็เลย คงจะล้างปากพอล้างปากท่านก็รู้สึกในตัวของท่านว่าปากเนี่ยมันไม่งับมันอ้าไม่ได้มันไม่ไม่งับน้ำเหมืนั้นเลยท่านก็แปลกเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้คือสรุปแล้วก็คือปากไปไปตามบัญชาเซนประสาทของปากจากนั้นท่านก็มาฉันจังหันเพราะฉันมาหันพระก็ไม่ได้สังเกตท่านก็ไม่ได้บอกพอฉันตวนจะเสร็จแล้วท่านก็เเรียกพระเข้ามา องๆหนึ่งวันนี้เราฉันไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่ไหนได้อาหารเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันไม่ได้มันหล่นลงมาหล่นในที่นั่งที่ผ้าปกตักท่านอย่างนีน้ท่านกนกก็เลยเข้าไปโอ้ตายแล้วเขเลยต้อนก็เลยพูดแต่ก็ยังพูดได้อยู่แต่ว่าติดจะอ้าปากตามบัญชาเนี่ยไม่ได้จะหุบปากไม่ได้ พราะนั่นอาหารมันก็เลยหล่นพออาจารย์ทังหันเส็จท่านก็เลยไปดุกสิทธิ์ลูกหาญาติโยมนีมน่มลไปเพราะท่านตาของท่านก็ไม่ดีนะตาพาดด้วยนะตามองไม่เห็นไกลด้วยท่านก็เลยไปหาหมอตาเพราะเขานีมน่มลไปถึงนะเขาก็เลยตรวจเช็คล่างกายของท่านอย่างถีทั่วเลยที่โรงพยาบาลศูนย์อุดร ตรวจตาเสร็จแล้วก็ตรวจหัวเข่าบ้างตรวจหัวใจบ้างตรวจสุขภาพร่างกายทุกส่วนแต่ว่าเครื่องมือของโรงพยาบาลศูนย์เครื่องเอ็กซเลย์ไม่ดีพอเหมือนกันคล้ายๆกับว่าเอ็กซเลย์อย่างอื่นได้แต่ว่าเครื่องเอ็กซเลย์คอมพิวเตอร์มันอยู่ที่โรงพยาบาลทหารแต่นี่เขาไม่ใช่ของทหารแต่บริษัท บริษัทเขามาตั้งไว้ในเขตอุดรเนี่ยถ้าว่าใครต้องการไปถ่ายหัวพวกศีรษะพวกอะไรก็ตามก็จะเข้าไปถ่ายแต่เที่ยวหนึ่งหลายเงินเหมือนกันน ะ, ะบริษัทมาตั้งเอาไว้เที่ยวหนึ่งตั้งห้าหกเจ็ดแปดพันแะที่ถ่ายเพียงครั้งเดียวถึงละเอียดแต่ในโรงพยาบาลศูนย์ก็เลยไป็สารไปทางโรงพยาบาลทหารก็เอาลงตาเข้าไปเอ็กซเรย์สมอง ก็บอกว่าไอ้สมองของหลวงตาเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกับคนรุ่นเดียวรุ่นราวคาวเดียวคนแล้วสมองของหลวงตานี่ดีมากแต่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับสมองนั้นแล้วก็รู้สึกว่าลักษณะสมองจะฟอลลงบ้างฟอลลงนิดหน่อยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่นถ้นก็ตัวดูเส้นเลือดปุกเส้นเส้นใหญ่ มันติมันติมันแตกไหมมันก็ไม่แตกแต่นี้นเขาก็เลยมาตรวจดูโลหิตฝอยเส้นโลหิตฝอยโลหิตติ่งเล็กๆเขาเขาสงสัยตัวนี้นะ่ะสงสัยเส้นโลหิตฝอยอแตกหรือมันนั่นนะ่ะก็เลยทําให้ปากขององค์ท่านไม่ไม่รับสัมผัสข้างนอกเ่างอนกันแต่ เมื่อวานท่างก่อนเขาเลยถวายยาท่านมาทั้งสองโรงพยาบาลปรึกษากันในถวายยาองค์ท่านมาแต่เมื่อวานหลวงพ่อไปพอทราบข่าวก็รีบปีเข้าไปเลยเพราะว่าเราก็อยากจะไปรับทราบแต่เราก็ไม่ใช่หมอเราแต่ว่าควรจะไปรับรู้รับทราบเมื่อพ่อเจ็บใครได้ป่วยมีอะไรปัญหาอะไรที่เราจะได้ช่วยได้ไหมหรือเราจะรับทราบหรือเราจะช่วยส่วนไหนได้บ้าง อันนี้เราก็เลยรีบออกไปทันทีตอนบ่ายโดนไม่ได้บอกใครเพราะนบอกแต่เวนพระเวนสาลาด้านน่ะพอไปถึงที่นั่นกับบ่ายเกือบบ่ายสี่โมงโถามพระท่านพักอยู่กุฏิก็มีหมอเส้นพระขึ้นไปนวดท่านอยู่ถือจังหวะนั้นขึ้นไปก็เลยไปเกาไปนวดท่านบางท่านก็เลยพูดพูดเรื่องเล่าอะไรฟังการเก็บไข้ในป่วยของท่าน แล้วก็พูดไม่ละเอียดหอกสําหรับหลวงตาท่านไม่ห่วงหาอะไรในร่างกายอยู่แล้วลักษณะมันจะตายก็ตายไปไม่ติดห่วงอะไรเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรลักษณะนะั้นท่านไม่ห่วงว่างั้นเถอะนี่แหะคือผู้ปฏิบัติธรรมท่านไม่ห่วงหาอะไรจะพูดกับแบบเราป่วยนะไรเนี่ยไปหาหมอแต่ว่าเครื่องมือเขาตัวลักษณะอย่างนั้นน่ะเราก็อยู่เกือบท่านเกือบเป็นชั่วโมงมากเมื่อวา น, นท่านบอกกลับซะห้าโมงกว่าแล้วนี่ กลับไปถึงวัดกะคำพอดีเ จ, จ้ามีที่คาพอดีพอเราลงจากกุฏิท่านนะั้นก็เลยไปหาท่านกนกอีกทีหนึ่งไปหาข้อมูลอีกว่าเป็นไงสาเหตุเบื้องต้นเป็นยังไงต่อมาเป็นยังไงไปหาหมอเป็นยังไงก็ไปสักไซไลเลียงกับพระอุปธรรมประทากท่านก็ได้ความในรายละเอียดพอออกมาก็เลยกับพูดกับท่านกนกตามที่จริงน่าจะเอาหมอทังกรุงเทพ ที่เป็นลูกศิษย์องค์หลวงตาอาจารย์หมอนิพน์พวงรินเนี่ยหมอศิริราชที่เก่งเฉพาะนี่โดยตรงเลยเป็นศาสต ร, ราจารย์ก็น่าจะเอาหมออาจารย์หมอนิพน์เข้ามาพระท่านก็เห็นด้วยเมื่อวานนึงหลวงพ่อเลยออกมากเลยโทรศรัพท์หาทศเกียร์กคกหงให้ทศเกียร์โคกหงเพราะว่าท่านสนิท ก, กันกับหมอริพน์แล้วก็ให้อาจารย์หมอริพน์ พูดกับหมอโรงพยาบาลอุดอรที่เอ็กซเรย์เครื่องเอ็กซเรย์สมองขององค์หลวงตาเนะ่เป็นยังไงในความเห็นของหมอโรงพยาบาลแล้วก็ให้คุยกันเผื่อท่านจะได้จัดยาจากทางนู้นขึ้นมาเราก็บอกว่าให้พ่อทุกแก่ด่วนนะว่าถ้าเป็นไปได้ให้ด่วนที่สุดองค์หลวงตาช้าไม่ได้นะเพราะมันผู้เท่าขนาดนี้แล้วจะไปช้าไม่ได้นะถ้าเป็นไปได้ โอ้ผมหนักแกอยู่อย่างเดียวเพราะตุดจีนเหมือนแต่กับผมกจะพยายามดีและท่านอาจารย์กระตุ้นนะนั่นนะสรุปแล้วก็คือมีองค์เดียวในโลกในประเทศที่เป็นร่มโพ ร, ร่มไทรของลูกศิษย์ลูกหาพวกเราอยู่ท่านให้ทั้งธรรมะท่านให้ความเมตตาให้อะไรทุกอย่างช่วยเหลือโลกเพราะนั้น ทาวันได้เห็นท่านองค์หลวงตาท่านยังมีชีวิตอยู่วันหนึ่งก็เกิดประโยชน์ต่อโลกได้กราบได้วาสักการบูชาสมมนานันจาทัศนังเอตมังคารมุตตะมังได้เห็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นขวัญตาขวัญใจยิ่งในฟังธรรมะที่ท่านแสดงออกไปแล้วก็ยิ่งเป็นที่เคารพ บ, บูชาอย่างยิ่งเพราะนั้นนักปรารถราชสม บ, บัณฑิต ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้พ้นจากโลกแล้วมีชีวิตอยู่เพียงนาทีเดียวก็ยังมีประโยชน์กว่าคนที่ทำความชั่วมีอายุถึงร้อยปีนะีคนทําความชั่วร้อยปียิ่งยืนกว่านั้นยิ่งยืนกว่านั้นยิ่งทําความชั่วได้มากถ้งว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีชีวิตอยู่เพียงนาทีเดียวมีประโยชน์ เพราะคนทั้งหลายได้กราบได้วาสักรารบูชาเป็นก้อนตาก้อนใจฟังธรรมะจากองค์ท่านจะได้ถึงมรรคถึงผลจะได้ละความชั่วจกจากกายวาจาใจของเรานะผลนั้นคนชั่วกับบัณฑิตนะคนดีกับคนชั่วถ้าคนชั่วอยู่ในโลกนานก็ยิ่งทําความชั่วมากถ้าบัณฑิตอยู่มีแต่ความร่มเย็นผ้าสุขสอนคู่คนให้รู้จัก ดีรู้จักชั่วรู้จักบาป บ, บุญคุณโทษน่นะเป็นอย่างนั้นลหละถ้าจะย่นย่อเข้ามาหาใจของเราก็เช่นเดียวกันใจของเราถ้าหาว่าปล่อยให้มันกิเลสราคะโทสะโมหะกลุ่มลุ่มอยู่ทั้งวันทั้งคืนเออโดยที่ไม่คิดจะรักษาศีลภาวนาทำจิตให้สงบบ้างนะอันนั้นก็แปลว่าถึงจะเป็นอยู่ร้อยปีก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าว่า ทำจิตให้สงบทำจิตให้เบิกบานทำจิตให้เป็นมักเป็นผลนะชั่วขณะหนึ่งก็มีประโยชน์เหมือนเราทำจิตให้สงบเพียงนาทีเดียวอย่างนี้นะนาทิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะเพียงนาทีหนึ่งเราก็จําจไม่ลืมตลอดทั้งชาติถ้าจิตสงบนะถ้าจิตว้าวุ่นขุนมัวเนะี่ยกุมรุ่มทางจิตทางใจนะเพอเพอจะเป็นบ้าเอาได้ไง่ายๆเพราะมันคิดมาก กิเลสมันมาลุมมาตุ่มะันนั้นเราต้องการอย่างไรถ้าต้องการธรรมะ ก, ก็ต้องแวกไหวศึกษาธรรมะปฏิบัติอยากไปคิดในสิ่งที่มันไม่ดีตัดมันทิ้งซะยึดธรรมะพุโทโธธรรมโอสังโฆยึดแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำมาประพฤติปฏิบัติพวกเราก็จะได้รับความพรมเย็ยนผาสุขนะเนีวันนี้ได้พูดเกี่ยวกับวันพระแล้วก็องค์หลวงตา ให้พวกเราได้รับรู้รับทราบเป็นเบื้องต้นนะตามไม่จริงห่วงท่านไม้ก็ห่วงแต่ทางด้านจิตภาวนาหรือว่าท่านภาวนาไม่ต้องห่วงท่านท่านเลิศประเสริฐแต่ท่าอยากจะให้ท่านอยู่นานเพื่อจะได้เป็นล่มโพร่มไสของพวกเราจะได้ ก, ากราบไหว้สักการะบูชาไปนานๆอันนี้คือเราห่วงห่วงห่วงเพื่ออะไเพื่อเพื่อใครสรุปแล้วก็เพื่อเราทั้งนั้นแหละ เพื่อเราเพื่อโลก่อกนรณ์